นักปีหนึ่งผ่างไปเร็วมากสามร้อยสา้ยกสิบห้าวันเร็วนะพรุ่งนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วปีนี้เขาว่าเป็นปีพุทธชยันตีสอง0ันหร้อยปีนะปีหน้าก็เป็นปีหลังพุทธชยยันตีนะไม่รู้ว่าจะมีการ จะลองพุทธยันตีอีกหรือเปล่านะแต่ที่จริงนะพุทธศาสนาก็อยู่มาสอง0ันหร้อยปีอล้นะังจากสอง0ันหรอยปีจะเป็นเช่นไรนะก็มีการคุยกันนะในในส่วนของผู้รู้หรือว่าผู้ที่ได้นะรับการยอมรับจากสังคม ห, หลายๆคนเขาก็มีการคาดการหรือว่ามีการประเมินการว่า หลังสองพันหกร้อยปีเนี่ยพุทธศาสนานี่ต้องเจอเกจอกันเรีว่าเจอการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเพราะว่าเพราะว่ากระแสสังคมกนะระแสสังคมที่เป็นวัตถุนิยมบริโภคนิยมนี่มันมากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนทุกแห่งก็มีกระแสกระแสพวกนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเรามาประเทศลาวเราก็จะเห็นเนาะ ส่วนที่เป็นธรรมชาติส่วนที่เป็นจนบทก็ก็ยังมีอยู่แต่สิ่งที่มาเพิ่มเติมหรือว่าเริ่มเข้ามาเป็นกระแสที่ทีไ่ได้รับความนิยมของคนทั่วไปก็สิ่งที่เป็นวัตถุนิยมสิ่งที่เป็นความทันสมัยหรือว่าสิ่งที่เป็นความสะดวกสบายนะก็จะได้รับความนิยมจากผู้คนมากขึ้น มันก็คงเป็นแบบนี้นะในสังคมสังคมที่นะเรียกว่ากำลังพัฒนาแต่ถ้าเป็นสังคมที่เขาอันนี้แบบที่เขาแบ่งแบบระษาโลกนะเราว่าพัฒนาแล้วก็คือว่ามีวัตถุมากมาแล้วนะหรือว่ามีความเจริญทางข้าวนาทั้งเทคโนโลยีบางทีกระแสพวกนี้มันกัตีกับ พรอเขาเริ่มมีวัตถุมากๆหรือว่ามีความเจริญมากๆมันตีกับคนตีกับมาหามาสนใจเรื่องธรรมชาติสนใจเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นแต่ถ้าคนในชนบทหรือว่าคนที่อยู่ในที่ที่ไม่ค่อยเจริญส่วนใหญ่ก็อยู่กับธรรมชาติก็รู้ว่ามันมันก็ดีมันก็มีคุณค่าแต่ก็ อยากจะหอยหาสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นความจะเดินทิ่งที่เป็นความสะดวกสบายอาจจมื่ออาจจะไม่ผิดก็ได้นะนะเพราะว่าชีวิตของเขาอาจจะมีความลาบากมามากแล้วนะบากมามากก า, า, า, ารเดินทางก็ดีนะการอยู่การกินก็ดีมันก็ลาบากมามากแล้วนะมันผิดตลอที่เขาจะหาความสบายให้กับชีวิตบ้างหาความสะดวกให้กับชีวิตบ้างนะ มันก็ไม่คงไม่ผิดนะถ้าถ้ามันพอดีนะหรือว่าถ้ามันไม่หลงล้วเลงไปไปคิดว่าวัตถุคือคําตอบหรือว่าค่านิยมแบบตะวันตกค่านิยมแบบการทันสมัยคือคําตอบถ้าถ้าเลือกเอามาใช้ในชีวิตประจาวันบ้างมันก็คงไม่เสียหายเนาะเราจะให้คนอะยรว่าคนที่มี คนที่พายคนต้องภายเรือตลอดไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ไม่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยมันก็คงคงไม่ใช่นะเราจะให้เขาอยู่แบบเดิมตลอดก็คงไม่ได้ถ้าเขามีทางเลือกก็ให้เขาเลือกเถอะนะแต่เพียงแต่ว่าทําอย่างไรเนาะพวกเราเป็นเป็นนักบวชหรือคนที่สนใจพุทธศาสนาทําอย่างไรที่จะช่วยกันบอก บอกสอนหรือว่าแนะนําว่าการที่เราใช้วัตถุอย่างไรที่จะไม่ติดในวัตถุใช่ไหมอันนี้คือน่าจะเป็นสิ่งที่ที่เรียกว่ามันสมยุคสมสมัยมากกว่านะเราคงไม่ใช่ผู้ที่ต้านกระแสบอดีโฟนนิยมวัตถุนิยมเราไม่ใช่เราไม่จำเป็นต้องไปต้านนะแต่เราควรที่จะชี้นําว่าเราจะอยู่กับกระแสอย่างไรนะ ถึงจะไม่จมกับกระแสเหมือนกับอย่างเมื่อวานเรานั่งเรือต้านกระแสหมาถึงว่าทวนน้ำบ้างหรือบางทีเรานั่งเรือขึ้นแก่งบ้างใช่ไหมมันข่มถ้าเราไปไปต้านแก่งแบบตรงๆนี่มันข่มไม่ได้นะแต่เรือมันลอยอยู่บนบนเหนือน้ำนะ มันไม่ได้จมกับน้ำแต่มันก็เรียกว่าแต่มันก็สามารถทวนในทิศทางที่ที่ต้องการได้นะคือบางคนพอมีคล้ายคโมเลกุลนิยมวัตถุนิยมมากๆบางคนต้านแบบต้านแล้วก็ปฏิเสธหรือว่าแบบแอนตี้หรือว่าบางทีก็คลายเป็นคนที่บางคนหนัวโตแนกมากๆก็เป็นเป็นผูกขอ พวกก่อการร้ายหรือว่าเป็นพวกที่ข้างลัทธิถุดโต่งอีกแบบหนึ่งเลยก็มีนะซึ่งมันก็มีนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแะนะก็มีบางศาสนามีบางลัทธิที่เขาก็ก็ถือแบบไม่ถืออะไรเลยนะแต่ถือถือแบบไม่ถืออะไรเลยไม่ถือเสื้อผ้าไม่ถือมีของใช้อะไรนะเอามือเอามือรอ อาหารจากวินลาบาทที่ยินยมตักมาให้นะเสื้อผ้าก็ไม่นุ่มหฮมอะไรก็ไม่ถือยึดถือความไม่ยึดถือมันก็มันก็มีนะมันก็เป็นความสุดตรงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ที่จริงพุทธศา ส, าสนาสอนเรื่องทางสายกลางคือเราจะอยู่กับสังคมอยู่กับผู้คนอย่างไรนะอย่างไม่จมไปกับวัตถุนิยมนะแต่เราอยู่กับสังคมอย่าง มีการพัฒนาจิตใจในสังคมนี้ไปด้วยเนาะบางทีคนอื่นก็อาจจะหลงล้องเพลงเสียงดังกินเล่าเมายาหรือว่าสนุกสนานหรือว่าหลงไปทางโรคหนะลงไปกับต้องได้ชื่อเสียงกิติยศต้องได้ตาแหน่งโตๆ ต, ต้องได้เงินทองมากๆนะอันนี้ถ้าถ้าห่งไปกับโรคเช่นนั้นก็ในชีวิตนี้ก็คงหมดเวลาไปกับการหา หาวัตถุภายนอกนะหรือว่าหามาเติมเต็มให้ให้พอหรือว่าให้มากๆากแต่ถ้าใจไม่รู้จะพอสักทีเนี่ยก็ไม่รู้จะหาเท่าไหร่ถึงจะพอเนาะนะเพราะว่าก็จะมีคนที่มีมากกว่าเราอีกเยอะแยะจะมีของอีกหลายอย่างที่ที่เราก็ไม่สามารถจะหาได้นะมันก็ไม่เติมเต็มสักทีเหมือนกับหลุมลึกๆนะ ถ้ามันแบบถ้าจิตใจของเราเหมือนกับหลุมลึกๆนะอะไรมาเติมเต็มมันก็ไม่พอสักทีเนี่ยมันจะรู้สึกรู้สึกว่าชีวิตนี้มันห่วยหาชีวิตนี้มันมันาขาดแคลนแต่การภาวนาของเราเนาะ ม, นมันจะนมันจะเป็นการที่เรียกว่ากบหลุมลึกในจิตใจของเราก็คือว่าเราจะพอใจในสิ่งที่เรามีนะ พอใจในสิ่งที่เรามีนะอย่างเช่นชีวิตพระชีวิตนักปวดหรือว่าชีวิตที่เราออกตุ๊ดงเนี่ยเราเป็นผู้ที่เรียกว่าฝึกให้อยู่พอพอใจง่ายๆนะมีอะไรก็กินเช่นนั้นนะนอนแบบไหนก็ได้เนาะนะหรือว่าจะเดินทางด้วนยะความลำบากบ้างก็ก็โอเคก็ดีนะ แต่ถ้ามีคนมาถวายสิ่งที่ทสมควรนะมีคนมาถวายอะไรก็ยินดีก็ยินดีนะ ก, นดก็พอใจแต่ก็ไม่แต่ต้องรู้ทันความคิดที่เราไปติดใจนะนะติดใจสิ่งที่ได้มาหรือเปล่านะก็ต้องรู้ทันถ้าเราติดใจนี่แสดงว่าจิตใจเราก็หลงไปกับสิ่งที่ได้มาลนะเช่นบางวันออได้อาหารดีๆ รางวันได้แฟบซี่ได้สปอนเซอร์นะใจิตใจเรารู้สึกแบบไหนแน่นอนมันก็คงมีความสุขนะมีความพอใจแต่ให้รู้ทัน ว, ว่าใจเราไปติดกับรสชาติหรือว่าติดที่จะต้องได้มาอีกหรือเปล่านะอันนี้ถ้าเราก็แค่ยินดีรับในสิ่งที่ได้มาโดยชอบแล้วนะแต่ก็ไม่ต้องไปติดใจกับ นะต้องไปคิดว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อไปต้องได้อีกนะอันนี้คือการที่เรียกว่าอยู่กับวัตถุอย่างไม่หลงไปกับวัตถนะุเราจะอยู่กับเขาเนี่ยแหละนะแต่เราจะไม่หลงกับเขาอันนี้คือน่าจะเป็นสิ่งที่หลังส ,600 รอปีพุทธกาลเนาะเราต้องเจอเยอะแยะมากมายเราคงไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปเปลี่ยนโลกนะให้หยุดความเจริญก้าวหน้าให้หยุดการพัฒนา แต่เราจะอยู่กับโลกที่เขาก็พัฒนาของเขาไปเขาก็นะ <c oughs> จะเริก้าวหน้าแบบของเขาไปแต่เราจะอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนะอันนี้การอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกก็คือรู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นกับกับกายกับใจของเราเองนี่แหละกนะารที่จะอยู่กับโลกได้ก็คือการอยู่รู้แบบรู้จักตนเองนั่แหละนะรู้จักกิเลสของตนนะว่ามีอะไรนะ และกิเลสของตอนออกจากจิตใจได้อันนั้นคือเรียกว่าสลัดสลัดเบอร์ระทิ้งกันยึดติดการดมกับโลกไปแล้วก็อยู่แล้วก็รู้ทันด้วยว่าอะไรที่ตัวเองต้องควรพัฒนาขึ้นไปนะก็จะเดินนี่มากขึ้นออันนี้ก็คือจเจริญนีมากขึ้นปีนสมาธิปัญญาการภาวนาเช่นไรจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความสงบมากขึ้น เราก็พัฒนาขึ้นไปด้วยอันนี้เราก็จะอยู่กับโลกอย่างผู้ที่ไม่หลงโลกล้วก็อยู่กับโลกอย่างผู้ที่เรียกว่ามีปัญญานะไม่จมทุกข์ไม่ติดสุขกับโลกใบนี้แต่ถ้าเราจะอยู่แค่นี้เนาะมันก็อาจจะมันก็คงจะดีเนาะแต่มันอาจจะดีโดยส่วนเดียวดีเฉพาะตนนะดีเฉพาะตัวเอ่นะ แต่เราก็น่าจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะเราก็เราก็น่าจะช่วยคนอื่นหรือว่าเราน่าจะช่วยสังคมได้มากขึ้นเลยนะก็อยากเชิญชวนว่ามันมันก็น่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะช่วยช่วยคนอื่นอย่างไรช่วยสังคมช่วยโลกนี้อย่างไรให้เรียกว่าให้เขาได้รู้ทันกระแสที่เรียกว่ากระแสที่ เป็นวัตถุนิยมบดหรืพกนิยมให้เขาออกจากกระแสะพวกนั้นนะก็คือใช้ใช้ประโยชน์จากมันแต่ไม่ติดไม่ติดมันนะทําอย่างไรเราจึงจะช่วยกันได้นะีอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่หนึ่งที่ที่นัก บ, บวชหรือว่าผู้ที่สนใจธรรมะน่าจะช่วยน่าจะช่วยโลกได้นะนะเราไม่แค่คิดจะเ ป, เปลี่ยนแปลงหรอกแต่เรา น่าจะเป็นคนที่ช่วยกันให้แง่คิดนะให้ธรรมะแก่คนที่อยู่ในโลกนี้เพราะว่าสองพันหรอปีที่พุทธศาสนาได้มีอยู่เนาะก็มันก็เกิดจากการที่ผู้ที่สนใจศึกษาแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาแนะนำบอกต่อจนทั้งถึงยุคพวกเราเนี่แหละนะพวกเราก็เป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยแต่ก็อย่าลืมทาหนะ้าที่ในการบอกต่อในการแนะนา อื่นให้เขาได้รู้ตามด้วยอาจจะไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องรอให้เราเป็นพระอาหารหันต์ต้องรอเราบรรลุธรรมหรอกที่จริงเราก็บอกเท่าที่เรารู้นี่แหละบอกไม่ต้องเกินความรู้ของตนเองบอกเท่าที่เรารู้บอกที่เราเท่าที่เราเข้าใจหรือบางทีถ้าเราไม่มีโอกาสบอกเราก็ทำตัวอย่างของเราเนี่ยแหละให้เป็นผู้ที่ให้คนอื่นได้เห็น ให้คนอื่นก็ได้เขาเกิดศรัทธาหรือให้คนอื่นเขาได้เกิดการพิจารณาได้วตัของเขาเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่อยากให้พวกเราได้ช่วยกันเนาะว่าทุกคนก็สามารถทําได้นะทําได้เอาง่ายๆเช่นสมมุติอย่างเราเดินเดินทว ด, ดงแบบเนี้ยนเราเดินดิดยความเรียกว่าเรามีความเพียรมีความอดทนในการเดินทางไกลอันนี้ก็เป็น ญาติโยมที่เขาเขียนเขาก็เกิดศรัท ธ, ธาแล้วเนาะเกิดศรัท ธ, ธาชื่นชมหรือว่าเราเดินเช่นถ้าเราเดินด้วยอาการที่ ล, ลํารมระวังนะ่ะไม่เดินเล่นๆหรือว่าพูดคุยกันมากเกินไปเนะ่ยญาติโยมเขาก็เกิดศรัท ธ, ธาแล้วเออพระท่า น, นก็ตั้งใจเดินไม่ชี้หรือว่าโยมเขาก็ตั้งใจเดินนะนะ่ะขงท้ายปีต่อต้นับปีใหม่คนอื่นก็อาจจะเมากันคนอื่นเขาอาจจะสนสนานกัน แต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขายังฝึกฝนตนอยู่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาไม่หลงละเลงไปทับโลกอยู่บางทีเราเดินผ่านคนกินเหล้าคนร้องเพลงเนาะเขาก็อาจจะร้องเพลงเขากินเหล้าแต่พอเขาเห็นเราเดินผ่านมาเขาก็ยกมือไหว้นะมันก็ดีนะคนมันก็มีสองสองอย่างเนาะตอนที่เขาหลงเขาก็หลงอนะแต่พอเห็นพระเห็นชีก็ก็ได้ในไหว้ครั้งหนึ่งก็ยังดีเนาะ ได้คิดถึงคุณงามความดีนิดนึงก็ยังดีที่จริงยิ่งช่วงหน้านี้ยิ่งเป็นช่วงที่ที่ควรจะ ต, ต้องเตือนกันหรือบอกกันให้มากๆเพราะว่าเทศกาลไหนก็แล้วแต่นะพี่ไทยพี่ดาวนี่เมามัน <c oughs> เป็นหลักเลยนะ <c oughs> แต่เราต้องมาช่วยกันนะให้เทศกาลให้งานให้งานบนเป็นงานที่ ที่จเจริญกุศลสิมันถึงจะดีโดยเฉพาะเช่นเนี่ยส่งท้ายปีเก่านี่ต้อนรับปีใหม่คงเป็นช่วงที่คิดว่าเราต้องมามาทบทวนตัวเองให้มากๆหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เราได้ทำอะไรดีๆมาบ้างนะหรือว่าเราทำอะไรที่เป็นข้อบกครองในชีวิตของเราบ้างน่าจะเป็น ช่วงเวลาที่เราได้ทบทวนชีวิตดูในรอบปีหนึ่งนะในรอบปีหนึ่งเราได้ทําอะไรที่มันมันดีมันเกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนและมีสิ่งใดที่เราเราทำพลาดไปเราต้องแก้ไขปรับปรุงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาทบทวนชีวิตของเราเองหรือว่าก็เป็นการที่ วางแผนหรือว่าตั้งใจได้ว่าเออปีหน้าหรือว่าปีต่อต่อไปชีวิตเราจะเดินไปทางไห น, นมีอะไรที่เราต้องตั้งมีอะไรที่เราจะตั้งใจทนะําำมีอะไรที่ที่เราคิดว่าทําแล้วมันจะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้มากที่สุดเนะี่ยเราจะตั้งใจทำอะไรก็น่าจะเป็นที่จริงในช่วงตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่เราควรกสมาตทวนชีวิตเนานะ แล้วก็แก่ขึ้นทุกวันแก่ขึ้นทุกปีอย่างนี้มันคงไม่ใช่ชีวิตที่ต้องไปดงระเริงไปเมามัน ก, กับทางโรคเนาะแต่พวกเราก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีปัญญาเนาะมีปัญญามากกว่าคนคนอื่ น, อนนะพอสมควรในการที่ไม่ดองระเริงไปกับทางโรคนะแต่ก็อยากอย่าคิดว่าเราจะทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรือว่าเราจะช่วยโรคไม่ได้นะ อยากให้ปวกเราได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะอยู่ในที่ไหนหรือว่าทําอะไรก็ให้คิดว่าเออบางทีเราไม่ได้พูดการทําตัวอย่างนี่แหละก็อาจจะเป็นการกระตุน้นเตือนให้ให้กับเพื่อนร่วมโลกเราก็ได้ตระหนักบ้างว่าเอออะไรคือคุณค่าแท้ของการมีชีวิตการดองแล้เดิมไปกับโบกทางโลกเช่นใดที่ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาำนะเราฝึกตนไปด้วยแล้วก็ แนะนำผู้อื่นไปด้วยเนะี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากนะนี่คือคือสิ่งที่เราน่าจะช่วยพระพุทธเจ้าช่วยพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวขึ้นไปได้อีกนะแม้หลังสองพันหกรอยปีแล้วพุทธศาสนาก็น่าจะเป็นนะ ท, ที่จริงพุทธศาสนา น, น่าจะเป็นคําตอบหรือว่าเป็นเป็นยาที่จะช่วยโลกได้มากเลย ยิ่งโลกพัฒนามากเท่าไรเราก็เห็นเนาะคนเจริญมากเท่าไรสังคมที่เจริญมากเท่าไรยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นนยิ่งคนรวยยิ่งคนที่มีฐานะหน้าที่ที่ที่มากยิ่งสังคมไหนที่มีความเจริญทางวัตถุมากเรายิ่งเห็นเลยว่าคนเขาทุกข์มากเท่านั้นพุทธศาสนาหรือว่าธรรมะไหนจะช่วยผู้คนเหล่านั้นได้ หรือแม้แต่สังคมที่ยังไม่เจริญมากแต่ก็มีทิศทางมีแนวโน้มที่จะเดินตามรอยคนที่เขาเจริญทางวัตถุมากเช่นสังคมราวเนะี่ยเดี๋ยวต่อไปก็ตามทางไทยไปเรื่อยไทยก็ตามฝรั่งตามญี่ปุ่นไปเรนะื่อยพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นพวกฝรั่งเขาก็กลับมาหาธรรมนะคนไทยส่วนหนึ่งในเมืองเขาก็กลับมาสนใจธรรมะแล้ว เราไปคนเราเดี๋ยวก็ธรรมะนั้นก็ต้องรักษาไว้ดีๆเดี๋ยวต่อไปยจะเป็นที่พึ่งให้กับคนที่ที่มีปัญญาหรือว่าคนที่เห็นแล้วว่าวัตถุมันไม่ใช่คําตอบนะนั้นธรรมะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราเขายังรักษาธรรมะไว้ น, นธรรมะนี่จะเป็นตัวช่วยเยียวยาให้กับสังคมให้กับผู้คนได้แน่นอนนะนนได้แน่นอน จริงมันก็คงไม่ใช่แค่พุทธศาสนาหรอกธรรมะก็คงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสากคนนะเนาะไม่ใช่แต่ชาวพุทธหรือว่าคนไหนในโลกนี้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้นะไม่มีมีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งตอนไปไปฟังท่านเดลัยรามาพูดที่ที่อินเดียก็มีคนถามท่านว่าทาไมท่าน คลยๆท่านเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รักของคนคนในตะวันตกหรือว่าคนทั้งโลกได้มากนะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วนะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนใหญ่ที่ท่านไปเกี่ยวข้องแล้วก็คนก็รักท่านหรือว่าคนก็ชื่นชื่นชมท่านท่านบอกว่านะเวลาท่านไปไปพูดไปสนทนาไปแลกเปลี่ยนกับใครท่านไม่ได้ไปิดจะไปเย็ดเยียนให้ใครหรือว่าให้คนอื่นเข้ามานับดึก มานับถือพุทธศาสนาคือท่านไม่ใช่ไป เ, เผยแพร่ศาสนาในแง่แบบว่าต้องให้คนอื่นมานับถือพุทธต้องมีพิธีกรรมต่างๆแต่ท่านไปท่านไปในฐานะไปแบ่งปันความรักไปแบ่งปันเมตตากรุณาต่อคนอื่นไปแบ่งปันความสุขไปแบ่งปันเสียงรฮอดกับคนอื่น ค, คุณจะนับถือคิดอยู่ก็ไม่เป็นไรคุณจะนับถืออิสลาหนังสือศาสนาไหนหรือคุณจะไม่นับถือศาสนาเลยก็ได้ไม่ได้เสียหายเล ย, เลยนะแต่คุณอย่าลืมมีความรักความเมตตาต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคุณอย่าลืมความสุขความสงบภายในคุณอย่าลืมนะที่จะมีความสุขในชีวิต ป, ประจำวันอันเนี้ยมันเป็นศาสนาสากลมากนะ ศา ส, สนาสากลที่ที่คนทุกคนก็สามารถสัมผัสได้เนี่ยเลยไม่ต้องไปแฝงชื่อว่าพุทธศาสนาคิดศาสน า, ศาอิสลามหรือว่าอะไรก็ได้แต่ฮินดูก็ได้แต่นะแต่คนทุกคนก็คงต้องการความสุขคนทกคนก็ต้องการที่จะไม่ทุกข์อันนี้น่าจะเป็นศาสนาสากลที่ที่นีปีใหม่หรือว่าปีต่อต่อไปเนี่ยโลก โลกเราคงต้องเรียกว่าหอยหานะความสุขแล้วก็หอยหาวิธีที่จะไม่ทุกข์มากขึ้นเพราะเราก็ยังยึดมั่นใ น, ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ขอให้ยึดมั่นให้จริงๆเนาะเอาเอาดักที่พระเจ้าท่านสอนเอามาใช้ในชีวิตประจำวันใ ห, ให้ได้มากๆแล้วก็แนะนำบอกต่อกับผู้อื่นด้วยนะแล้วก็เปิดใจให้กว้างนะในการเรียนรู้ ศา ส, สนาอื่นในการเรียนรู้วิถีชีวิตอื่นที่อาจจะไม่เหมือนเราแต่เขาอาจจะมีข้อดีอะไรต่างๆก็ได้นะแล้วก็เปิดใจให้กว้างๆกับคนที่เขาอาจจะทำไม่เหมือนเราคิดไม่เหมือนเราแต่ให้คิดว่าคนทุกคนที่จริงเขาก็เหมือนเรานั่นแหละก็มีทั้งด้านที่ดีมีทั้งด้านที่ไม่ดีเหมือนกันบางคนเ็าเผลอไปทาด้านที่ไม่ดีเพราะว่าเขา ไม่รู้เท่าทันตนเองหรือว่ามีกิเลสครอบงำจิตไม่สามารถนะเป็นอิสระจากความคิดความหลงได้มันก็เป็นเพียงแค่ความหลงชั่วคาวของเขาเท่านั้นเราต้องมาช่วยกันให้เขาเรียกว่าออกจากความหลงให้เขารู้เท่าทันตนเองจะดีกว่านะแทนที่จะไปโอดหรือไปว่าเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีอะไรเรามาช่วยกันให้เขารู้จักตนเองแล้วก็เป็นอิสระ จากความหลงอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานาะที่ขอให้ช่วยกันเนาะนะในปีต่อไปแล้วก็จะทำเรื่อยๆจน ก, กว่าชีวิตเราจะหาหม่ชีวิตเราก็จะได้เป็นชีวิตที่ที่มีคุณค่านะเกิดมาทั้งทีแล้วก็ให้ทำคุณงามความดีไดพัฒนาตนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจะได้สมกับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็ นี่ทำคุณใี่กับตนเองทำคุณนี่กับผู้อื่นทำคุณใี่กับโลกต่อไปนะ